ไม่มีใครแปลกหน้าเป็นยาติมาหาก่อนแล้วแต่เพิ่งได้พบกันนพวกันชนีตะโวรที่จะกล่าวความถูกความผิดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจทุบประการการศึกษาเรื่องที่เจ็ดขึ้นความผิดความถูกเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่ ก็คือวิชากรรมฐานวิชาที่วัฒนะทำมให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นกรรมฐานทำให้หลกมีความคล่องมีความขยนันส่วนมีความขยนันย่อมทำอะไรได้สำเร็จ เปิเกียดท่านชอบประยา่าเปิเกียดท่านไม่เข้าหน้านอนถกงสาเจริญลงวิชารองุทธานทำให้เรามีความขยันตาว น, นาเพื่อข้ขยันกรรมฐ า, านภาว น, นาวิปัสสนาก้าวไปเป็นชั้นเป็นชั้นกัน ที่ตังของกรรมฐา น, นในหน้าที่กานงานนั้นนั้นเรียกว่าวิชากรรมฐานทำเไรได้สำเร็จวิชาชีพ ต, ต่างๆกรรมฐานเป็นสิ่งที่จำนานในเรื่องกายเรื่องใจมีสติเป็นที่ตัง้งรู้กายรู้ใจ อาไรเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่สติก็อยอมผิดเช่นทางว่านั่นไม่ใช่แล้วกลับมารู้สึกตัวเวลานี่เรามาใช่มานั่งคิดนู่นคิดนี่เวลานี่เรามาวีสติดูแลากายใจของเรากลับมาเรื่อพระชิรัทถะที่ฝึกตนเองจนเป็นพุทธเจ้าจากสามมัญชน มุตชนเหยียบความทุกข์ข่มละของสั่งให้เปลตต์ตระหะหลาคะเกิดแจ็เจ็บตายร่บละจำนวนต่อสิลที่เกิดขึ้นก็ให้เป็นทุกข์ต้องยอมรับความทุกข์ร้องให้เมื่อเฉยใจดีใจเมื่อได้สิ่งที่ต้องการ ถ้าทีเด็ดล่ะก็เสียใจถ้าไม่สบายก็เป็นทุกข์ใจเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าสามัญชนด้วยปุถุชนตาหูจมูกเลีงกายใจก็เพื่อที่จะเสาะหาในอดุลที่ชอบนั่นเลือกวปุถุชนถ้าทีเด สมบูร์เรื่องนี้มีประชาชั่มาดูคนอื่นก็ช่างให้ตัวเองก็ฝา่าพนันในสวสนมกำนันหนไม่มีรลุดชัว่วูนมีทุสาวงามไปไหนมีคนประทุปตรงหนมประดับน่าจะลดตกแป่ง พระยาชนเชื่ อ, อช่องสนสจนจะเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิอันสาเด็จมุกสุดจบสุ ด, สดแต่ยังทุกข์อนที่มีวิจารญาญาติที่ว่าอาชียในใจย่อมมายอมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหาทางออกหาคำต่อ ทำไมต้องทุกข์ทำไมต้องฉุกทำไมต้องเจ็บต้องเจ็บต้องตายทำมต้งทุกข์รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ต้องยอมอยู่เช่นนี้หรืออกภพพาสละของเราของชอบใส่ก็เป็นทุกข์ทุกข์อย่างนี้หรือความไม่สบายกายก็ไม่สบายใจความครัดแย้นใจก็เป็นทุกข์จะต้องอยู่อย่างนี้หรือ ผู้มีจิึงวิญญาที่จะพัฒนาชีวิตต้องมาจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้หากคำตอบไม่จบจังไม่หยุดเช่นนี้เกิดขึ้นมาต้องรอวันเสวียนเจ็บันตายคอยร้องไห้คอยเสียใจในทาง ท, งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัก กับสมบัติคนรักมาเลยได้ราเป็นของตนเองกลรักขอใจที่ได้มาเสียใจที่สิ่งที่นั้นหายไปต้อหาคำตอบต้งนี้การหาคำตอบตรงนี้าาานถามใครไม่มีใครตอบได้ยิงศึกษาเพื่อตนเองมีสติไปในกาลเปประจำมามีสติดู่อ รู้สึกตัวดูชีเขาองจรงนั่งคู่เฉินเขาเหยียดเฉินโดกรู้สึกตัวไปในกายที่เป็นประจำเราจะิมเกิดขึ้นมากับกายกับจิตก็รู้ช้ามันชิดไปกับรู้โดยพอบความคิดแล้วก็ใช่ คิดอะไรเยอะมามากแล้วอายุยี่เก้าพรรษาสามสิบพรรษาต้องคิดอะไรเยอะแยะยิ่งขึ้นเจ้าผ้าชายเป็นมหากระสุดต้องคิดสะดุ้งเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับเปื่อนข้าประชาชนกับตัวเองกับครอบครัวหมู่ญาติพี่น้องก็ได้กินได้เห็น คนหัวเราะคนล้อให้อยู่ตลอดเวลาบางทีก็เกิดขึ้นเจอตัวเองขอใจไม่ขอใจในาำลักในสำชันเมื่อมาไมส่สติเดลกาดุจการสิร่งที่เคยใช้ชีวิตมามก็ฉายออกมาให้ใหเห็นเป็นความคิดคิดอะไรก็คิดขึ้นมาให้ลูก จิตก็มอนกิดไปทางนั้นเป็นจรินิสัยเหมือนความคิดไม่ตั้งใจกลกับมาดูถูกตัวซะอาการที่เกิดกับจิตมา ก, กว่าจิตเฉยๆก็เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ผลหายจากความคิดมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์กลับมารูถูกตัว มาลงทีความรู้จุกตัวเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของกกรมฐาไม่หลุดไปตั้งที่นี้กับมาตั้งไว้ที่นี่เพราะไม่มีที่ตั้งโดยเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เปลี่ยนสีที่ไม่ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องให้เป็นความรู้มันเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส แล้วก็รู้อะไรเกิดขึ้นแล้ก็รู้ตาเห็นรู้ก็รู้หูที่ยินเสียงก็รู้เมกได้กินก็รู้ลิ้นในรถก็รู้สองฝันก็รู้จิตใจที่มันยึดก็รู้พอให้มันไปตามอิจฉาชุบซนคิดอก็ได้แต่ก่อนแบบนี้ไม่ได้สอนจิตนะให้รู้ ได้บทเรียนจากความหลงได้เป็นความรู้ได้บทเรียนจากความทุกได้เป็นความรู้ได้บทเรียนจากความสุขได้เป็นความรู้นี่คือกรรมฐานอย่าดูดไปกรรมมาตั้งไหวก็มาตั้งไหวเมื่อกรรมมาตั้งไหวหลงหนึ่งข้างรู้ถนึ่งข้างมันก็ต้องมีความชํานาญได้บทเรียนตรงนี้พอได้บทเรียนก็ โดยความฉลาดเป็นธรรมดาเหมือนคนถูกหลอกคนถูกหลอกก็ย่อมฉลาดแต่ความฉลาดเขาผ่านถูกหลอกโดยความถูกพวกความบันทิดจิดมุ่เสาะขึ้นที่กาทิใจนี่บดเดียนที่กาทิใจนี่กลาเป็นปัญญา หลุดพ้นออกมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกลาลก็มีจากถนาดไหนรองมามหนูภาพลองดูน่องต่อยต้นไม้ไม่มีหลังขาไม่มีม่ฝา ไ, ไม่มีพืชไดๆดูที่เท่นีล า, าวันลางสีมหาโพ น, น เราก็ชิงวัดร่อมไม่ดีเลยก็ย่อมคิดเยอะแยะสุดเลยตัวตายว่าเมื่อจะเปรียบเทียบกับริงที่เคยได้ใช้มามีประสาททั้งสามฤ ด, ดูเปรียบเทียบกันไม่ได้เจ้าเหตุและผลมันก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ว่าต้องรู้จักตัวเนี่ยก็มารู้จักตัวเนี่ยไม่ใช่มานั่งคิดถึงลูกถึงเนี่ย คิดถึงความสูขคิดถึ ง, งความทุกข์ควาตายอะไรต่างๆไม่ใช่ให้เห็นชีวิตปัจจุบันรู้จักตัวรู้สึกตั ว, ตวขึ้นมากลับมาได้ที่ได้กรรมฐานที่ตั้งได้กรรมฐานที่ตั้งไม่ถยตูดไปง่ายๆเหมือนโหลจบตเนง้อหน้ า, นามไหล จับไเวลาวางที่รถไปขับแตะไาวขึ้นมาแบกไหวขึ้นมาพวกต่อไหวไหวได้ก็ไม่เหนื่อยเวลาถ้าปล่อยมันไหลพ่าไปแล้วก็ตกต่ำไปเรื่อยๆมื่กขจิตของเรานี้มันไหลไปทางต่าอยู่เรื่อยๆถ้าจะทำคนดีก็ยาก คนทํางานก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแถหนาแถวลรทํางานก็อาบแดดตาบฝนต้องหนื่อยเมลาจะเอาใสกจะเอาความหน่วยเม่อยลามาทดลองกับชีวิตไม่ได้เพราะว่าทําที่การกระทหนึ่งหลังสู้อผ้าก็ต้องก้มปรับนาบรับช้นข้าวไถนาหลานข้าวเกี่ยวข้าวฝนตกฝนป้องสู้ โพอเราทำในงานทำจะไม่ให้ความร้อนความหนาวความเหนื่อยจะให้ทิ้งงานได้กรรมาฐานก็เช่นกันที่มันจะด้งไปทางไหนมันไหลไปทางกลับคิดง่ายๆก็กลับมารู้จักตัวมาตั้งไวหวมาตั้งไหวตัวนี้ เมื่อฝึกตนสอ น, สนตอนไปนเรื่อยๆก็ง่ายขึ้นชำนาญขึ้นโดยตอนง่ายที่จะหลงคิดะบนี้มันง่ายที่จะลู่ทำราคนฝึกอะไรก็ชำนาญในวิชานั่นๆเหมือ น, น, นกับเราศึกษาเราเรียนจนเป็นวิชาชีพจนเป็นศาสต์เป็นศิลป์ปจะผวถมมุชฌมชันอุ ด, ดม จบปริญญาวิชาต้นศิลฉ์ชำนิชำ น, นาญในวิชาด้านนั้นได้เพราะมันมีกรรมฐานมีที่ตั้งว่าอยู่แล้วฉคนโดยก็ดีคนที่มีกรรมฐานดูแลกายใจก็ต้องชำ น, นาญในเรื่องกายเรื่องใจพอเราเกิดขึ้น กับกิจกากับลูกอะไรเกิดขึงกับตลากับลูกนี่อาการที่เกิดกับปลาก็เจะแยะเวลาเราฝึกหัดเรื่องป่วดก็เมื่อยนั่งอยู่ต้องเกยย่อมห้มจนถึงใกล้ลุ่มสวนเงินสวนทองขึ้น ดูเช่นจะกิดอะไรขึ้นหนึ่งต้องอดทนต้องขยันต้องมีความข้าเคียนไม่ทอดถอยบางทีก็เกิดความขยันเกิดความลู้เกิดได้เห็นช่องทางก็สนอนุนจะเปลี่ยนน้อยเป็นดีแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจิตใจก็สูงขึ้นง่ายขึ้น เมือนกคนทำงานใกล้จะเสร็จแล้ก็โยกอดขยันเพิ่มขึ้นร้าเชาวลอทไ่างใหญ่ใกล้จะสำเร็จก็กหนดได้อีกทีวันองวันสวันจะสเร็จเท้านาตำากางใหญ่ความสร็จก็บอกทุงทงันกงานอันโบก คือนอนกับปักดำแล้วที่นี่ก็ปักดําแล้วเหลือเชื่อนี่เหลือเชื่อนี่แล้วก็เกิดความอขยัยขึ้นมาส่วนชนนั้นกําหนดได้เลยชำนานการทํานาทํานาเป็นอาชีพได้คนศึกษาเรื่องกาเรืงสัยก็เป็นอาชีพที่ว่าฉีกขาได้ทำจนกาลัง ให้กำลังฉินสมาธิสัญญาเป็นการกำลังสนับสนุนผู้ศึกษาธรรมธรรมยศศึกษาผู้ศึกษาธรรมธรรมยกรักษาผู้ศึกษาผู้ประพฤติทำอยู่แค่ น, นิดแต่ก่อนเราเลิกศึกษาถินพอมาฉินจะรักษาเรามันเป็นอย่างนั้นกรรมฐานพิจารกรรมฐาน เมื่อเราเดินทางคือเราจะเดินทางเราไม่ต้องการให้คนมาช่วยเหลือเราจะเดินเราทุกข์อยูยากไม่เป็นปัญหาเราจะเดินเดินทางกลับยี่สิบวันเดินอยู่เชนนั้นยี่สิบวันยี่สิบเอ็วันเดินอยู่เช่นนั้น แล้วจะเดินไม่ได้คิดว่าร้อนนักเหนื่อยนักปวดเรื่อปวดตัวนักไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดได้เราจะเดินจนถึงจุดหมายปลาทานี่ก็คือโอโฟิชากรรมฐานเหมือนกันทํำเราได้สําเร็จเรามาทําสําเร็จเรื่องการร่างก า, านี้ก็เช่นกัน จนเกิดเช่นหลงลอยข้างแต่ก่อนก็ร้อยข้งตอบไวหลงข้งเดียวไม่หลงอีกมั n ก็ชำนาญอย่างนี้ทุกข์้งเดียวไม่ทุกข์เรื่องเก่าอีกโกรธเรื่องเดียวนันไม่โกรธเรื่องเก่าอีกมันก็ชำนาญอย่างนี้เมื่อม่ชนาญอย่างนี้ภาษาธรรมะ สัมมาเวชกอลนิจเรื่องนี้ฉันเดียว่ากัมลัคานปุตชลจะตะเกงเป็นปุุชนมืดบอดหนาฝึกนังสาหูบทนี่เห็นช่องทางก็กล่าวฉันกัมญัคยานปุตชลเลยฟ้องลูกเจอาฟ้องหลง ได้ความเหจากความได้ค้ามถูกจากความเหตุสินคัญาณภูติุ น, นะนขึ้นมากลายใจว่าเบียดเยีนกันเป็นมีเป็นเพื่อนกับเพ่นเป็นมนุษย์ถูกขึ้นมาอเนื่องแต่มนุษย์เป็นได้พะใจสูงจะก่ามาใจต่ำยินดียินล้าย เป็มันต่ำเย็นดีเย็นลอยแล้วแต่เขาจะให้เป็นอะไรใจัดกันเลยมนนี่มนุษย์ใจสูงขึ้นมันเหนือความยินดีเหนือความยินลายเหนือความโกรธความทุกข์แต่ยังไม่อยู่แต่ว่าไม่รับใช้ความโกรธความทุกข์เหนือกิเลสตัณนาแต่เลสตัณหามีอยู่แต่มันไม่รับใช้กิเลตัณหา เปิดความคิดขึ้นมาแต่ก่อนไข่ตามาาความคิดคิดขึ้นมานอนไม่หลับคิดขึ้นว่านําตาไหลคิดขึ้นม า, นนาล่าลองให้เหมืนนี่ตาจะหัวลอกหัวลอกคมทุกข์ได้มนุษยิ่งได้เมื่อไผมีอยู่แบบมนุษย์แต่กว่าเมื่อไผมีก็น่าปวดนอนถ้าเป็นมนุษย์จะมันโูง ม, มันจะหัวลกมันจะเห็นเห็นความไม่ดีเหมือนกับเห็นโง่ มันชื่นใจเห็นความผิดที่เกิดขึ้นกระตัวเรามันชื่นใจมนุษย์เป็นอย่างหนงไม่ใช่มันนั่งอยู่นี้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นด้เพราใจสูงเหมือนหนังยูมีดีที่แววฝนต่อใจตองเป็นได้จะเพียงคนเพราะงั้นมันอยู่ที่จิตใจที่สูสงเมื่อเป็นมนุษย์เราเป็นอายะบุคคลนู่น ก็สิจดมสิ chiếu สิส่องสิได้เห็นนะอาศัยวิญญาณสมดัชน์หนึ่งจะมั่นนิจจากท่าคือเป็นหลบภัยเป็นเฝินภ h ยเฝินภัยคมเจ็บความเจ็บความตาเฝินความทุกข์ n g นฝืนฝันฝืนทุกข์ เมื S <s ่นหนุ uh uh ่มน uh ู uh ้งงตัวเองที่ว่าเายปนในั้นว่าอดบั่ัอย่กษาเาทำให้ตันขึ้นมามหาสุดวันนี้พักเก็โลกโลกที่นตาจหนุ่มหนึ่งค อาจจะหลงอีกสอง้าทำานานขึ้นหลงเพราะชั่งชะตาหลงครั้งเดียวทำานานขึนขนน้นทุกข์ครั้งเดียวทุกข์หลังผล้อมทุกแต่ยวบวงบวมมากบวน่ยอยตลูกไม่ก็าทำทั่วไม่กลพูดทัว่วไม่กลพูดทาทัวอก ม่คยมาจบมะคิดก็จบๆน้าตึกไปแ้นจะดีขึ้น <c ười> ิวันเดคิดคิายตั้งจคิิดขึ้นมาจบๆหนูกะเอามือชิดรู้จุว่ามันเฉยแล้วค่อยๆคติมันจะบริสุทธิ์ขึ้นเปิดเผยไม่ได้ มันเปิดเพื่อนความคิดอืดท้างเราเนี่ย้ะหวางความิดก่บความคิดเปิไา ม, ม่รู้เปิดเพื่อนก็ยังคิดให้สองโกรธน้อยดูจบสองข้างหาน่วยกลางสิ่งแนี้ไม่ไดาละผลภัยเรียกว่าพระยกตุคนชนใดชนหนึ่องอาญาอาลีแต่ว่างนานศึกญาติว่าใครไปไปจากข้าศิด เห็นงูไม่ไปหางูแ่ตอนี้อกมาเห็นทุกไม่เป็นทุกขนจาทุกเ็นความโกรธไม่เป็นทุกข n โกรากคมโกรธเห็นความหลงไม่เป็นทุกข์หลงคนจากคนหลงนี่แยกบุคคลชั้นหนชั้นหนึ่งนันมอยู่ทริงที่เด็นหม่อยู่ส่วนโกรธไอยู่ทุกข์อยู่กออกไ มันก็ได้ปวดเรือนหนึ่งง่ายทราบไปเบื่อหน่าเพราะวันนี้งพิษมันโุก ป, ปุกเสุดเพื่อไม่ได้อันนี้เรียกว่าวิชากรรมฐ า, ถถามทมทนท้าไ ม, ม่เกิดภาวนาขยันเสื่อมสมลาสมสมดีเมื่อมีภาวนาเกิดอุปจนะขยันยขึ้น มีปัจจัยอางที่เห็นเชะตัวไม่หลงถูกต้องตัวไม่หลงถูกต้องหล่เคิดหน่ยวหลงถูกต้องหมตวไม่หลงถูกต้อ ง, องไหมตัวโกรธถูกต้องไหมไม่โกรธถูกต้องไหมไม่ใลูกนะสัมผัสมาแล้วมันหชไม่เอาไม่มีเคเอาสโกรธ ไม่มีใครเอาความทุกข์ไมีใครเอาความลงมีแต่เมตตากุณาเมื่อเขาโกรธเราเราก็ไม่ตานกะันควั บ, บคนที่โกรธเราเขไม่รู้คนที่ด่าเราเขไม่รู้คนที่เขาหลงรม่เขาไม่รู้หลที่จะโกรธคนที่ไม่ดีเกรธฟังสงสารมือนกับเราช่วยดนอนที่ช่วยนี่น วันที่ช่วยใจสำเร็จว่าที่เขาช่วยไม่ได้เหม่หังเสียดคนที่ช่วยเห็คนที่ดีก็ัมาอางกับเขาขเขาช่วยตัวเองได้แต่คนที่ไมดีเป็นหน้าที่ของเราเห็นคนทงติดเราพบเขาที่ไหนก็ดูตัวเองเราไม่ไปสอนขอเขาก็ฝกทีท่ตรงนี้ใหเขามาดู ไม่มีใครบอกความคิดเป็นงานเป็นงานขึ้นมาช่วยกั น, นที่จะเชื่อกันในท่อนต่งกันวิ่งพวกเราเป็นอครัวเป็นพ่อ ก, กนแม่็พี่เป็นน้องเป็นพวกรเมียกันเลยก็ช่วยกันเกิดความสมานจำใจกนหมืออย่างนี้เรียกว่าจิปัสสุบสถมถะทุกข์ใจอดยอม ปอญญาญาตระหนักวงไปโอกาสนั้นทุกเดินเี่ยวโอกสทงเียวก็วิ่งเอาวิ่งเอาไได้ไหวตระหนัก็ู้ทะลวงตลอดปฏตลอแงของยาบปัญที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแต่ถ้าไม่พัฒนต่อเนื่องก็เื่อมได้เื่อมได้ อราจะเชื่อนได้แต่ ว, ว่ากรรมฐานหนึ่งเราที่ตั้งอยู่หน้ามัเชื่อไม่ถึงตายคเรื่อยๆคุดเรื่อยเพราฉะนั้นขอสนับสนุนจากกรรมฐานอยากให้ภาพวิชานี้คิ้ของเราเหมาะแต่วิชานี้เกิดมามีกายมีใจเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีสุดตลาเลื่อนใหญ่แต่ได้ฉลาดตรงนี้ด้วยปัญญา สาระขาใเรตชื่อว่าสินสาระขใจให้เกียรติดอยชื่อว่าสินสาระขาหัวใจชื่าสิรวรอบรูในของสังขารที่กาเจนว่าปัญญาแล้พร้อมแล้วได้มอด h ได้คำโศมมีชาตดาหุภิจามีภูที่โศนี ยกผู้เชิญเข้าเยยเชิอนีจุนักรจิตวิสต้องประกอบเอาไม่จมาไม่ได้ไม่จำมาไม่ได้มาท่องเอาไปได้ภาษาคำพูดอะไรฉันตเปนาษาจีนต้องสมผัสเอาขาไต่ออาขอด้วยตัวตัวเอาใจไปต่อเอาขอด้วยตัวตัวด้วยตนี่ต้องทำเอมนีแ ดาอข้าเดินกลมมาดูทุกตัวนกมือเส้นไหให้ดทุกตัวีไหมเห็นนะนะดาบเน้อคุยกันนยกันม้าดกันนะนะอยู่กับไมชียัน <c pathogens> ับก็ดีนะขอให้นี่เป็นบ้านของเราอีกที่นึงนะบ้านร้อย หนึ่งที่นี่นะอยา่าคิดว่ามากันเท่ากันแม่ไม่มียากนี่แหละยากของเราไม่โกรธไม่เคืองกันไม่ดูไม่ด่ากันไมทำลายกันไม่เบียดเบียนยกันไม่สาธถากันนะฝันฝันสบายกับพระเครื่องกัน